เห็นปั๊บเนี่ยท่านไม่รู้เวลาเดินหรื อ, อยังไงนาะเนี่ยนะท่านก็น่าจะไปพักผ่อนเวลานี้ไม่ได้เวลาที่จะต้องมาเดินมาหกระเหนอนอะไรให้มันร้อนระอุดูสิไม่รู้เวลาเลยพระรูปนี้ไม่มีสาทธกะสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าคนที่ช่างติเนี่ยมันหาเรื่องว่าจนได้แต่คนที่ต้องการบุญมองเห็นบุญเลยเนะี่ยโอ้เนี่บุญทั้งนั้นเลยนะนี่คือเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความเจริญเนี่ยเหมือนกับชาวนาเห็นนาดีนี่รีบคว้าเอาเลยเนี่ยนะเป็นนาที่เรียกว่า ไม่มีเจ้าของห่วงแหนเนี่ยนะเพราะปลูกได้เลยฉันใดพระประเจกกับพระเจ้าก็ชื่อว่าเป็นนาบูญถ้าหากว่าไม่รีบทําก็เชื่อตัวเองก็เสื่อมจากบุญฉันนั้นนะเมื่อใดนาะเราจะมีอัธยาศัยอย่างนี้บ้างนะมีอัธยาศัยแบบพระประเจกกับพระแบบพระโพธิสัตว์เราไม่เท่าท่านก็เป็นเอาก็เราเป็นลูกท่านไม่ใช่หรือสมัครมาเป็นลูกของท่านคิดแบบท่านนิดเดียวก็ยังดีขอให้มันมีใจคิดโน้มโน้มไปตามท่านโอนโอ น, โอนไปคิดแบบท่านบ้าง หรือเปรียบเหมือนอมาดผู้ต้องการจะให้ชนชาวเมืองของพระราชายินดีแต่ไม่ให้ทรัพย์และข้าวเปลือกแก่เขาก็ย่อมเสื่อมจากความยินดีฉันใดเราก็ฉันนั่นเหมือนกั น, น αι, กนพูดถึงว่ า, าคนที่เป็นอ მ ามเนี่ยนะพระราชาแต่งตั้งไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองตามที่ต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าไปถึงก็ไม่เคยไปสงเคราะห์ประชุมชนเลยไม่เคยไปสงเคราะห์บริวาร น, นี่ก็ทาไง นะตั้ง แ, แต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าใหญ่นายโตก็นั่งปิดบ้านเข้าอยู่ที่เงียบอย่างเดียวไม่สงเคราะห์ประชุมชนอะไรเลยก็ทําไงาก็ปลดออกสินะก็เสื่อมจากความยินดีใช่ไหมเขาต่้งแต่งตั้งให้ไปสงเคราะห์ประชาชนไม่ไปทําหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนเขาก็ปลดออกก็เสื่อมใช่ไหมตัวเองก็เสื่อมฉั้นใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการบุญเห็นทักษิณาญบุคคลคือบุคคลคู่ผู้ควรแก่เครื่องทักษิณา นะที่ที่ทำแล้วก็ให้ผลอันไถ่บุญถ้าหากว่าเราไม่ให้ทานในทักษินายบุคคลนั้นเราก็จะเสื่อมจากบุญเสื่อมแน่เนี่ยนะถ้าเห็นนาดีขนาดนี้แล้วไม่ลงพืชไม่ลงบุญโอ้ยขาดทุนยับเยินเลยนะก็คือคนที่เขาเขาคิดเนี่ยนะเป็นลักษณะญาณสัมปยุตตลอดเลยเขาเล็งเห็นประโยชน์ตลอดเพราะอะไรเล็งเห็นถึงขนาดหาข้ออุปมาเขาบอกว่าใครที่เข้าใจเรื่องอะไรได้ ดีถูกต้องในเรื่องนั้นนะจะต้องเปรียบเทียบได้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องนั้นยังไม่ได้อยากคิดนะว่าเราเข้าใจเพียงแต่ได้ยินผ่านหูแว่าแววมาหรือนึกได้เฉยๆเท่านั้นอนะ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องในสิ่งใดเราจะเปรียบเหมือนอย่างว่าได้ทันทีนะเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าก็าจะเข้าใจได้ทันทีพระโพธิสัตว์เนี่ยตรงเนี่ยประกาศถึงว่าท่านทํากุศลแต่ละอย่างญาณสัมปยุตเมื่อกี้นะธรรมะสองประการของท่านคืออะไรนะ บุญยะสัมภาระกับยานะสัมภาระสัมภาระคือบุญกับสัมภาระคือยานเนี่ยนะท่านท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ทํเนี่เสื่อมจากบุญถ้าเสื่อมจากบุญก็ชื่อว่าเสื่อมจากความสุขหรือเสื่อมจากเหตุที่จะทําให้ถึงความสุขก็อย่าลืมว่าโลกนี้เป็นของผู้มีบุญนั้นถ้าผู้ใดมีบุญก็อยู่อย่างสุขสบายถ้าบุญตรงไหนลดลงนะเดือดนั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะ ครั้นเราคิดคิดอย่างมีปัญญาประกอบอย่างนี้แล้วก็เลยถอดรองเท้าไห ว, วที่เท้าของท่านแล้วก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ละเอียดนะอ่อนอานิสงนะอานิสงอ์นะพอพูดถึงเหตุเหต km, Bryant, ุก็คือกราบไหว้เสร็จแล้วก็ถวายร่มถวายรองเท้าให้ร่มเป็นทานให้รองเท้าเป็นทานด้วยผลผลแห่งกรรมนั้น น, นนะเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อน ไปพูดแต่เจ้าเป็นผิผวละเอียดละเอียดถึงขนาดไหนดีละเอียดถึงขนาดว่าไม่เปื้อนฝุ่นไม่เปื้อนฝุ่นเลยละเอียดขนาดนั้นเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันทวีะนะร้อยเท่าก็คือเป็นร้อยร้อยเท่าอ่ะนะกำไรของบุญอัะนนะั้นเนี่ยคูณร้อยนะคูณพันเนี่ยนะคูณร้อยคูณพันเนี่ยนะก็มหากุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ไปลงในเนื้อนาที่ดีเข้าเขาบอกว่าถ้านาดีหวานพืชแม้แต่น้อยก็ให้ผล อย่างมากมายถ้าไปเจอดินดีจริงๆเนนะปลูกมะม่วงเนี่ยนะหย่อนไปเม็ดเดียวพอแล้วกินทั้งชาติชั้นใดก็ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ชั้นนั้นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าก็ชั้นนั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งแล้วเรายุคนี้ละ่ะเรายุคนี้ไม่เจอพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าแบบนั้นเสียใจเลยใช่ไหมอา้าวไม่ได้เจอนาบุญแบบพระพระโ พ, พธิสัตว์ไง ก็เสียใจบอกว่าตอนนี้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นนาบุญใช่ไหมก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นนาบุญมีพระธรรมเป็นนาบุญมีสาวกของพระองค์เป็นนาบุญเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงหรอกนี่ขนาดว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระปเจกพระพุทธเจ้าท่านยังหวานบุญลงในพระปเจกพระพุทธเจ้าของเรามาพบพระพุทธศาสนาเราก็หวานบุญลงในพระพุทธศาสนาที่เป็นนาบุญเนี่ยนะ ก็เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญที่ผู้ใดทําเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยบุญเหล่านั้นทําแล้วไม่ผิดทําแล้วไม่พลาดทำแล้วไม่เศร้าใจในภายหลังทําแล้วไม่หมองใจในภายหลังเพราะบูชาพระรัตนตรยัยเนี่ยนะถ้าบูชาพระพุทธชื่อว่าบูชาพระธรรมถ้าบูชาพระธรรมก็ชื่อว่าบูชาพระสงฆ์ถ้าบูชาพระสงฆ์ถูกต้องก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า นนะถ้าบูชาพระพุทธเจ้าถูกต้องก็เป็นการบูชาพระธรรมสิ่งที่เราทำทำยังไงจึงจะไม่พลาดเป็นการกระทำที่บูชาทั้งพระพุทธรธรรมและพระสงฆ์นนะบูชาพระพุทธศาสนาอันนะถ้าใครเข้าใจก็สามารถที่จะเจริญได้อย่างมากมายอันนี้เป็นเป็นผงก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยนะผลของการถวายร่มกับถวายรองเท้า ก็เลยเป็นผู้มีผิวละเอียดอ่อนเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็คือคูณร้อยคูนพันทวีตัวนั้นแปลว่าคูณก็ได้นนะก็คือคูณร้อยคูนพันเมื่อเราบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์ก็ได้ถวายทานแก่แก่ท่านคือพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นอย่างนี้แลอันนี้ก็คือในอดีตเนี่ยนะยกตัวอย่างในอดีตข้อความในอัตถกาเนี่ยจะช่วยทําให้เราเข้าใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกมาก มาดอัถกถาจริยาปิดกพระประเจกขพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านชื่อว่าอะไรสยามภูใช่ไหมสยามภูแปลว่าผู้ผู้เห็นเองผู้รู้เองเพราะพระปัเจกขพุทธเจ้ารู้อริยสัจเห็นอริยสัจปัเจกะแปลว่าเฉพาะตัวปัจเจก็คือเฉพาะตัวเป็นการแทงตลอดโพธิญาณแบบเฉพาะตัวเป็นการตรัสรู้ด้วยตัวเอง ท่านเป็นอปราชิตะเพราะบรรดากิเลสมารก็ทำํำชนะท่านไม่ได้คือท่านเป็นผู้ชนะกิเลสมารชนะอภิสังขารมารชนะมัจจุมารชนะเทวปุตตมารพระประเจกพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอปราชิตะผู้ไม่พ่ายแพ้และปราชัยถามว่าเรื่องของสังฆพรามเนี่ยนะสังฆพรามนั้นอะ เรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรยกตัวอย่างมาจากชาดกชาดก่ะนะสังฆาชาดกนะว่าในอดีตเมืองพาราณสีมีชื่อว่าโมลินีนครเนี่ยนะก็อย่างว่านะชื่อเมืองก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆนะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ณโมลินีนครในชาตินั้นพระโพธิสัตว์เป็นพรามชื่อว่าสังคะ เป็นพราหมณ์ที่มั่งคัง่งคือรวยนะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แบบนั้นเนี่แต่เนื่องจากเกิดตระกูลพราหมณ์เขาก็เลยไม่เรียกว่ามหาเศรษฐีเขาเรียกมหาพราหมณ์มหาศาลเป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากรวยถึงขนาด่าตั้งโรงทานได้6แห่งนะสร้างโรงทานหกแห่งเขาบอกว่าใครที่เคยตั้งโรงทานเนี่ยจะเริ่มเข้าใจเลยนะไปตั้งโรงทานแค่วันเดียวจะเข้าใจว่าไอ้คนที่ตั้งโรงทานได้มากๆากเขาทําได้อย่างไรนะ หแห่งที่ไหนบ้างอะ่ะคือที่ประตูนครทั้งสประตูนครปกติเมืองเมืองโบราณนี่จะเป็นเมืองสี่เหลีะนะ่ยมอ่ะนะเขาเมืองสี่เหลี่ยมใช่ไหมเมืองสี่เหลี่ยมก็มีประตูอยู่สี่ทิศด้วยกันบางเมืองนี่จะมีอยู่ห้าประตูประตูที่ห้าไว้ขนศพออกนะนะเรียกว่าประตูอะไรนะประตูประตูผีเนี่ยนะคล้ายกันนะเขามีแบบนั้นอีกพราว่าเขาไม่เผาในเมืองอ่ะนะแต่นี้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะใ น, นประตูทานกันแล้วกันก็สร้าง สร้างโรงทานไว้ที่สี่ประตูแล้วก็ที่กลางเมืองอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่ประตูบ้านของตนอีกที่หนึ่งสละทรัพย์ทุกวันวันละหกแสนวันละหกแสนเดือนเท่าไหร่เดือนะเท่าไหร่เดนนะเดือนแล้วเป็นล้านกว่า บ, บาทใช่ปน <c oughs> ล้านสมัยนั้นนะโอล้านเป็นล้านเลยนะ แล้วถ้าให้ทั้งปีล่ะแล้วให้มาเป็นสิบสิบปีงไงจะหมดไปเท่าไรเลยนะนึกไม่ออกเลยนะแล้วก็ให้เป็นไปในบรรดาคนยากคนจนและคนเดินทางเป็นต้นสรุปว่าขอให้ผ่านมาทั้งนี้ทานได้เลยทายิ้วก็ทานได้เลยก็มสมัยนี้เนี่ยนะคนที่เป็นลูกหลานพระองค์ก็ยังตั้งโรงทานกันบั่งเลยใช่เมืม่อวันวิสาขาก็ยังตั้งโรงทานกันเลยนะใครไปทานก็ได้หิวก็ไปทานเถอะเนี่ยนะก็ตั้งโรงทาน อันนี้ท่านก็ตั้งโรงทานเนี่ยวันล ะ, ะจ่ายสรุปว่าจ่ายรวมๆแล้ววันละหกแสนเนี่ยนะวันหนึ่งสังขพลามคิดว่าเมื่อทรัพย์ในเรือนหมดเราก็จะไม่สามารถจะให้ทานได้นนะเพราะถ้าให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนมันก็หมดเหมือนกันอ่ะนะตอนเนี้รัพย์ยังไม่หมดทีเดียวเราจะไปยังสวนภูมิด้วยเรือแล้วก็ไปค้าขายนำเอาทรัพย์มา ก็คือเห็นแล้วว่าตอนนี้ทรัพย์ยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานนี่จะหมดเนี่ยนะก็ก็สมมติว่าคนที่มีรายจ่ายชัดเจนแล้วรายรับไม่แน่นอนเนี่ยนะรู้ได้ไหว่าควรจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็รู้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะเหลืออีกไม่นานนะหมดแล้วมันก็เลยสังกพราหมณ์ก็บรรทุกสินค้ามาเอ่อเรียกว่าเตรียมสินค้าเต็มเรือแล้วก็เรียกบุตรภรยามาสั่งว่า พวกท่านอย่าละเลิกการให้ทานของเราแล้วก็ทำอย่าให้ขาดจนกว่าเราจะกลับมาตัวไม่อยู่ก็จริงแต่ว่ามีการสั่งเสียบุตรและภรยาเตรียมในเรื่องการให้ทานอย่างคงเดิมหมดนะเดี๋ยวไปค้าขายหาทรัพย์มาก่อนเพะั้นคนที่ให้ทานก็มาชีวิตโอยตั้งหน้าตั้งตาให้แล้วก็ไม่รู้จักทำมาหากินเนี่ยนะแล้วก็บอกนี่นะถ้าผลแห่งทานให้ผลจริงเราก็คงรวยขึ้นรวย ข, ขึ้นก็เลยให้อย่างเดียว ไม่ค้าไม่ขายอะไรเลยเลยไม่ทำกิจการงานอะไรเลยคนนั้นคิดถูกไหมอ้าก็ให้ทานกบุญมันมีจริงอะ่ะ<ๆ>ก็เลยให้อย่างเดียวแล้วเมื่อเราให้มากๆแล้วก็จะได้มีมากๆก็เลยไม่ทำงานอะไรเลยก็ให้อย่างเดียวคนละแค่เรียกว่าอะไรนะก็เหมือนอย่างว่านะก็เหมือนอย่างว่าชาวนาที่ไม่ฉลาดใช่ไหมได้มีข้าวอยู่สั ก, กอะไรนะมีข้าวอยู่สักหนึ่งเกวียน หนึ่งลำเกวียนเนี่ยก็ประมาณเกือบร่วมพันกิโลเนี่ยนะก็เลยเขาบอกว่าเราจะได้ข้าวเยอะๆก็เลยหวานสัทีเดียวให้หมดเลยเป็นยังไงอะ่ะข้าวมันตั้งหลายเดือนกว่าจะออกรวงฉันใดการให้ทานก็ลักษณะเดียวกันมันไม่ใช่ว่าให้ปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรกด ATM อ็มะ น, นะมันก็ละอย่างกัน น, น, นะการให้ทานมันก็เหมือนกับหวานมเมล็ดพืชลงในนา มันไม่ใช่ว่าหวานปั๊บให้ผลปุ๊บเลยไม่ใช่บางคนนี่ใจร้อนนะหวานมาเมล็ดข้าวลงไปแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นข้าวมันออกสักทีเลยนะที่เขาบอกว่าหวานมาเมล็ดข้าวแล้วมันจะได้ผลเยอะๆเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเอ๊ะหวานไปแล้วทั้งสองชั่วโมงทําไมมันยังไม่ออกเม็ดเลยเก็บเม็ดข้าวตามเดิมดีกว่านะบางคนนี่ก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะมันก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยพอให้ไปนิดให้ไปหน่อยหรือให้ไปมาก มากในความคิดของตัวเองเนี่ยนะพอให้ไปปั๊บก็เลยทวงหาแต่ผลบุญฉันก็ทํามาเยอะแล้วนะทําไมมันไม่ให้ผลอย่างนี้นะแต่นี้ว่าคนที่เข้าใจเหตุผลในเรื่องการให้ทานเป็นอย่างดีเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์ท่านก็รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เลิกการประกอบอาชีพในส่วนที่เป็นอาชีพก็ทําต่อไปนะเช่นค้าขายของท่านท่านก็ยังทําของท่านต่อไปขณะเดียวกันเรื่องของทานท่านก็ยังให้เป็นปกติเนี่ยนะให้เป็นอัธยาศัยของท่าน แล้วก็มีการตรเตรียมสินค้าเพื่อที่จะไปค้าขายแวดล้อมไปด้วยถาดกรรมกรสวมรองเท้ากลางร่มบายหน้าไปยังปัตตนาคามในขณะนั้นณภูเขาคันธมาศมีพระปเจกขพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ตลอดเจ็ดวันครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตรวจ ด, ดูเห็นสัตว์โลกคือตรวจ ด, ดูนะว่าคือเนื่องจากว่าพระที่จะออกพ ร, อพระที่ออกจาก ในโรกสมาบัติเนี่ยนะผู้ใดทําบุญกับท่านผลแห่งบุญเนี่ยจะให้ผลภายในเจดวันทีนี้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสงเคราะห์โลกแต่ทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากการสงเคราะห์ของท่านอยู่ในขอบเขตที่จํากัดท่านจะสงเคราะห์ใครดี น, นะนะเพราะอะไรเพราะว่าสงเคราะห์ได้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยในในเฉพาะกรณีนี้นะแค่ครั้งเดียวเนี่ย เข้าสมาบัติเจวันแล้วสงเคราะห์ได้หนึ่งคนเนี่ยจะสงเคราะห์ใครดีก็เลยตรวจดูเห็นสังกพราหมณ์เนี่ยนะนี่พระประเจกพรพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีอนาคตตังสยานท่านรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครเนี่ยนะว่าใครเป็นผู้อย่างไรสั่งสมบูรณ์มามากไหมอัธยาสัยเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและอนาคตต่อไปเขาคือใครเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาบ้างเพราะนั้นพระโพธิ์พระประเจกพระพุทธเจ้าเห็นสังกพราหมณ์เนี่ยนะ ที่กำลังนำทรัพย์มาก็กําพึงคือคิดอยู่ว่ามหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์จะไปนำทรัพย์มาอันตรายในมหาสมุทรจักมีแก่เขาหรือไม่เนาก็รู้ว่ามีอันตรายแน่ก็เลยคิดว่ามหาบุรุษผู้นี้เห็นเราก็จะถวายร่มถวายรองเท้าแก่เราด้วยอานิสงค์ของการถวายร่มถวายรองเท้าเมื่อเรือแตกในมหาสมุทรก็จะได้ที่พึ่ง เราจาักอนุเคราะห์แก่เขาท่านก็เห็นหมดแล้วนะด้วยใจที่อะไรนะเมตตาเมตตาก็คือนําประโยชน์เข้าไปให้เขาว่าบุคคลนี้ควรได้รับประโยชน์อันนี้เป็นลักษณะของเมตตาการุณาก็รู้อีกว่าบุคคลนี้จะเดือดร้อนอีก7วันข้างหน้าเมื่อเขาจะเดือดร้อนอย่างนี้นี่นะการที่เราไปสงเคราะห์เขาจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เลยเหาะไปทางอากาศ พอไปแล้วก็ไปลงในที่ไม่ไกลของพราหมณ์นั่นแหละสังกพราหมในเวลาเที่ยงวันพอดีเลยนะเที่ยงวันที่ร้อนไปด้วยลมลมก็แรงแดดก็ร้อนแรงนะลมก็แรงแต่ว่าแดดก็กล้าถามว่าทำให้พื้นมันเย็นขึ้นไหมบอกไม่เลยพื้นทรายมันก็ร้อนระอุตามเดิมนั่นแหละก็เหยียบทรายร้อนคล้ายกับลาบไว้ด้วยฐานไฟ นะนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไปเดินประทักศิลเจดียามเที่ยงวันเป็นหินอ่อนด้วยยิ่งยิ่งยิ่งชัดใหญ่เลยนะจะเดินสักสองชั่วโมงเนี่ยนะเท้าสุกเลยสุกตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะนะอันนี้ก็ไปเหยียบเหมือนกับท่านก็เดินอ่ะนะท่านก็มีภรรษะเสะวยโพธิภารมณ์ก็ร้อนร้อนเหมือนกับเดินบนฐานไฟนะั่นแหละนะก็เดินมาถึงข้างหน้าของสังกะพราบนั้น สังฆพราหมนั้นเห็นพระปเจกับพุทธเจ้าก็มีความยินดีร่าเริงคิดว่าบุญญาเขตเนี่ยมาหาเราแล้วในวันนี้คือความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยนะแล้วท่านเป็นนักให้พันใจก็คิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องให้พันคนที่ใจที่คิดจะให้เนี่ยนะมันก็ตรวจดูบนดูล่างดูซ้ายดูขวาว่าจะให้อะไรได้บ้างนะเขาเขาสังสมอัธยาศัยในการให้ว่าในจํานวนปัจจัยสี่ให้อะไรได้บ้าง ในจำนวนอารมณ์6กให้อะไรได้บ้างในจำนวนวัตถุทาน10ประการมีข้าวน้ำเป็นต้นจะให้อะไรได้บ้างพอเห็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่าสามารถทำได้สองประการใหญ่ๆคือร่มกับรองเท้าเนี่ยนะเพราะอะไรข้างบนก็แดดจัดข้างล่างก็ร้อนระอุข้างบนที่จะกันความร้อนได้ก็ต้องเป็นร่มข้างล่างที่จะกั้นความร้อนที่เท้าได้ก็ต้องเป็นรองเท้า ก็เลยร่าเริงว่าเราเนี่ยจะหว่านพืชลงในนานี่แหละในเขตเขตเ น, น, นี่ยแปลว่านาพันเราจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์คือบุญลงในนาบุญอันนี้แล้วเนี่ยโดยอาศัยอะไรเป็นสะพานเชื่อมบุญก็คือร่วมกับรองเท้านี่นะเขเราจะควรที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์คือบุญนะโดยอาศัยร่วมกับรองเท้านี่แหละถวายไปแก่นาบุญคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ทีนี้คว่านาเนี่ยนะนาเนี่ยคำว่าเขตเขตเนี่ยแปลว่านานานี่หมายคือว่าสถานที่ที่หวานไปแล้วเนี่ยหวานเมล็ดพันธุ์พืชลงไปก็จะทําให้อาบุพันธ์ชาติอปรารณชาติเจริญเติตบโตขึ้นชั้นใดพระปเจกกับพุทธเจ้าท่านก็เป็นทักษินายาบุคคลที่เลิศเพราะเป็นบุญยเขตเพราะเป็นเหมือนกับนานาเป็นที่เจริญงอกเงยของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ในโลกฉันใดพระประเจคผูุ้ทธเจ้าเป็นที่เจริญงอกงามแห่งบุญกุศลฉันนั้นเหมือนกันพันเรานี้ชื่อว่าเป็นผู้ต้องการบุญนะก็เลยเจอนาบุญที่เพาะพันธุ์ลงไปแล้วเนี่ยให้ผลอย่างมหาศาลเหมือนนบทว่าเขตตะวรุตตะมังคืออุดมในเขตบุญอันประเสริฐจริงอยู่พระอริยาสาวกทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเป็นบุญญเขตอันประเสริฐกว่าผู้ที่มีกิเลสก็อบอกว่าถ้าให้ทานแก่คนมีกิเลสกับให้ทานผู้ไม่มีกิเลสไหนจะได้บุญมากกว่ากันให้ทานกับผู้มีกิเลสได้บุญน้อยกว่าแก่ผู้ไม่มีกิเลสทีนี้ในบรรดาพระอริยาสาวกเนี่ยนะพระประเจกพระพุทธเจ้าเลิศ ก, กว่าพระอริยาสาวกเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้น ถ้าพร ะ, ระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้เลิศกว่าเชื่อว่าเป็นบุญญเขตที่ประเสริฐสูงสุดตรงนี้นะอธิบายไว้ว่าถ้าว่าเราได้นาบุญอันยอดเยี่ยมแล้วไม่ทำการบูชาสการะในนาบุญนั้นเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญนะมาเจอนาบุญที่ดีแล้วไม่ทำบุญเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหม ก็เหมือนกับอะไรนะชาวโลกสมัยใหม่ก็คือเหมือนกับว่านักลงทุนทั้งหลายถ้าเห็นช่องทางแล้วไม่ลงทุนก็ชื่อว่าชื่อว่าอะไรก็ไม่ใช่ผู้สแสวงหาทรัพย์นะไม่ใช่เป็นผู้สแสวงหาประโยชน์ฉันใดนี่ก็เหมือนกันท่านก็คิดในใจตัวเองเลยนะว่าถ้าเราเห็นนาบุญแล้วเราไม่ทําบุญก็แสดงว่าเราไม่ต้องการบุญเมื่อเราไม่ต้องการที่จะให้บุญเกิดแล้วผลแห่งบุญจะมีมาแต่ที่ไหนแล้วเราจะไปหาผลบุญจากที่ไหน เพราะฉะนั้นแล้วจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่สร้างเหตนนนุนั่นก็ยกตัวอย่างว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอำมาตย์หรือเสนาบดีพวกอำมาตย์หรือเสนาบดีที่พระราชาแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งเสริมสร้างความยินดีนนนคือหมายความว่าเขาทําดีจนได้รับตราแต่งตั้งตอนหลังเขาได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยนะก็ไม่ปฏิบัติตามพระราชาองค์การ นะพอเป็นใหญ่เป็นโตเสร็จแล้วก็อะไรทําอะไรสบายเลยกันนี่เลิกทําอะไรเลยชนภายในเมืองเป็นต้นก็ไม่สงเคราะห์ชาวเมืองไม่สงเคราะห์หมู่พลไม่ให้ทรัพย์สมบัติไม่ทํากิจที่ควรช่วยเหลือแก่ประชุมชนประชาชนเป็นต้นตอนหลังเป็นยังไงถ้าหากว่าได้ตําแหน่งใหญ่โตแล้วก็กอดตาแหน่งไว้นอนอย่างเดียวให้คนมานวดไปวันวันหนึ่งอนะนดีไหมเสียหายเลยนะก็เสื่อมจากสมบัติที่เกิดจากตําแหน่งนนั้ ตอนหลังก็ถูกปลดชั้นใดเราก็ชันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะยินดีในการทำบุญเรานี่เป็นผู้ยินดีในการทำบุญเป็นผู้ใคร่บุญใคร่บุญก็คือใครเนี่ยแปลว่ากระหายบุญก็ได้แปลว่าหิวบุญก็ได้นะใครก็คือต้องการบุญหิวบุญปรารถนาบุญต้องการจะเสริมบุญแต่จริงๆอ่ะบุญนี่คือเหตุถ้าใครที่มองที่เหตุก็แสดงว่าต้องการผล เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใคร่บุญกล่าวคือผลบุญหมายค่ะว่าคนที่ทําเหตุเนี่ยนะถ้ามองรู้ว่าสิ่งนี้คือเหตุแปลว่าเขาต้องการผลฉันใดเราได้เห็นทักษิณายะบุคคลที่ภัยบุ์หมายคาะว่าหานาบุญจะประเสริฐกว่านี้ได้ยากคือทักษิณายะบุคคลผู้เลิเลิศด้วยการทําทักษิณาให้มีผลภัยบุ์ ถ้าว่าไม่ให้ทานในพระทักษินยายบุคคลนั้นก็จะเสื่อมจากบุญและเสื่อมจากผลแห่งบุญต่อไปเนี่ยนะก็อย่างที่ในคำพีท่านกล่าวว่าเหมือนอย่างว่าชาวนาผู้ฉลาดที่มากไปด้วยต้น้มากไปด้วยพืชพันธัญญาหารเนี่ยนะเมื่อเขาเนี่ ย, ยมีข้าวเปลือกมีอะไรมากมาอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ไหมว่าข้าวเปลือกมันเกิดจากอะไรรู้ ถ้าถึงฤดูการที่จะเพาะที่จะปลูกต่อไปแล้วไม่เพาะไม่ปลูกต่อไปรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปรู้ว่าหมดแน่เนี่ยนะไอ้ที่มีอยู่นี่หมดแน่ฉันใดผู้ที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาด้วยผลบุญดำรงชีวิตใช้ชีวิตหลายประการเนี่ยถ้าไม่มีบุญเก่าจะอยู่ได้อย่างไรก็อาศัยบุญเก่าแต่นี้บุญเก่านี่มันรอยหรอลงไปทุกวันดูจากอะไร ดูดูดูรู้ ด, ดูดูได้ไหมว่าบุญเก่าเราเกือบหมดแล้วดูได้จากอะไรดูได้ไหมหนึ่งดูได้จากง่ายๆตรงๆเลยนะดูจากอายุที่ได้มาคือเวลาที่เหลือน้อยเอา้าก็แสดงว่าเกือบจะหมดบุญอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมลุงเรือแทบจะกําหนดได้อยู่แล้วว่ามันควรจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ที่ได้ผ่านมานี่เห็นแน่ว่าได้แนะ่ละไอ้ที่เหลือนี่เอาอะไรมารับรองว่าแน่นอน ทนี้ไอ้อันนี้นี่นี่ไห น, นหนึ่งนะนพูดแบบตรงๆเราในยะอ้อมๆละ่ะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ด้วยผลของบุญเนี่ยนะังั้นทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามีบุญเก่าหลายๆประการเนี่ยทาให้เรามีโภกทรัพย์อยู่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้แน่นอนแค่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองเนี่ยนะก็เมื่อไม่มีอะไรรับรองปั๊บมันจะจะรู้ได้เลยว่าผลเนี่ยกาลังจะหมดแล้วเหตุล่ะก็มาสาวไปหาเหตุว่าเหตุนะปัจจุบันผล ปัจจุบันในเหตุปัจจุบันผลก็เกิดจากอดีตเหตุแล้วปัจจุบันนะเหตุเพื่อให้มีอนาคตผลละ่ะเนี่ยนถ้าหากว่าเราไม่ทำบุญเราก็จะเสื่อมจากบุญบุญตอนนี้ก็ไม่เกิดถ้าบุญไม่เกิดอะไรเกิดบาปเกิดถ้าบาปเกิดแล้วผลบาปคืออะไรสมมติถ้าอย่าง อ, อย่างพระโพธิสัตว์ท่านทำบุญใช่ไหมท่านทำบุญด้วยการตั้งโรงทานคือให้อาหารให้ข้าวเป็นต้นเป็นทาน ถ้าหากว่าตรงกันข้ามท่าไม่ให้อ่ะก็เป็นตรณีมัรชยริย ะ, ะผลแห่งการให้ทานเคยได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านอดไหมไม่มีอดอะนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทําเหตุเหล่านั้นมาก็มามาอดอยากแน่นะในชาติหลังๆก็อดอยากแน่นอนฉันใดเพราะเหตุกับผลนี่สำคัญอั้นถ้าหากว่าเห็นนาบุญแล้วไม่หวานพืชคือบุญลงไปเนี่ยเสื่อมจากบุญแน่นอน ก็ตรงเนี้ยที่ที่ของมากล่าวหลายๆครั้งว่าถ้าเราทั้งหลายมาเจอพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโยดของนาบุญทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราไม่เจริญบุญไว้ให้ดีให้พอเดือดร้อนแน่เพราะต่อไปอนาคตเนี่ยพระศาสนาจะไม่มีในโลกอั้นถ้าเราไม่หวานพืชคือบุญบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลโดยประการต่างๆมีพระรนะัตนะไตรเป็นอารมณ์ถ้าไม่เจริญให้ดีให้เพียงพอ ต่อไปเราก็เสื่อมจากผลของบุญแน่นอนในอนาคตแล้วใครแช่งใครกันนี้นะบอกว่าไม่ต้องไปไปตำหนิใครนะแบบเนี่ยอะไรนะก็ฉันเกิดมาก็พ่อฉันโจนไปโทษพ่อโทษแม่โทษญาติโทษน่นโทษนี่โทษน้ำโทษไฟโทษสารพัดโทษที่ไหนได้ตัวเองทําบุญมาน้อยโทษพ่อโทษแม่คนละเรื่องกันเลยนะแล้วไปเกิดได้ท่านทาไมอ่ะบุญน้อยเองอะไรก็เกิดตามสมควรแก่ ที่อยู่แล้วล่ะตามสมควรแก่เหตุนะัไปโทษพ่อโท ษ, โทษแม่ไม่ได้หรอกถ้าเราบุญน้อยเนี่ยนะบางคนก็อยากให้พ่อแม่รวยเยอะเกินแต่ตัวเองไม่เคยทําเหตุมาที่จะได้พ่อแม่แบบนั้นอีกนั่นแหละก็ทํำยังไงล่ะคะนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปกับเหตุและผลถ้าทําเหตุมาไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าใครที่มองเหตุมองผลออกมองกรรมและมองผลของกรรมออก พยากรได้เลยว่าชาติหน้าตัวเองควรจะมีฐานะเท่าไหร่ควรจะมีบ้านแบบไหนควรจะมีอาหารสักเท่าไหร่มีเสื้อผ้าอย่างไรมีชีวิตการเป็นอยู่แทบจะพยากรตัวเองได้แล้วว่ามันมันคืออะไรจะไปพบต่อไปดูจากอะไรก็ดูจากเหตุในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละสมควรแ ก, แก่ผลที่ต้องการหรือไม่เนี่ยนะ